ทีนี้กันที่12บสอเาเรียกว่าฉกษัตริย์ฉะนี่แปลว่า6ขัตติยะแปลว่ากษัตริย์ก็คือกษัตริย์6องอ่ะนะหกองก็ใครบ้างอ่ะนะหน่งพระเจ้าสรรชยัยสองพระนางผู้สดีสาพระเวสสันดรสีพระนางมาสัสรีหชาลี6กันหาเนี่ยนะก็เรียกว่าฉกษัตริรย์ก็ว่ากันมาด้วย6กษัตริย์กันที่12ฝ่ายพระชาลีราชกุมารก็ให้ตั้งค่ายเนี่ยนะแถฝั่งสัมมุจรินให้กลับรถ 64% หมืพันคัน ให้มีหน้าเฉพาะทางที่มาเนี่ยนะสั่งกลับรถกลับอะไรให้เบเ็ดเสร็จนะนะเตรียมตัวกลับอนะนะแล้วก็ให้จัดการรักษาสัตว์ ร, ร้ายมีราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองและแรดเป็นต้นในประเทศนั้นนั้นเสียงพาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นก็ดังเออสนัน่นครั้งนั้นพระเวสสันด ร, รมหาสัตว์พอฟังเสียงนั้นแล้วก็กลัวตายเนี่ยนะพอฟังเสียงเอกระทึกกระโมไ่รู้มันเสียงอะไรขึ้นมานะนึกกลัวตายขึ้นมาด้วยเข้าใจว่าพวกศัตรูของเราเนี่ย ฆ่าพ่อของเราแล้วก็มาเพื่อต้องการตัวเรากำลังหนอคิดไปคิดมาสายพ่อเราเนี่ยถูกฆ่าแล้วเนี่ยกองทัพยกมาฆ่าเราอีกนะเนี่ยก็เลยกลัวเลยพอกลัวอย่างนี้ก็บอกกับพนางมัต ส, สีว่าน่น้องมั ส, สีเธอจงพิจารณา ส, สำเนียงเสียงกึกก้องป่าเนี่ยนะฝูงม้าอาชานายราเริงปลายธงเนี่ยปรากฏสวัยพวกที่มาเหล่านี้เหมือน พวกพราเนล้อมฝูงมรดกชาติในป่าไว้ด้วยไขย่ต้อนให้ตกในหลุมก่อนแล้วทิ่มแทงด้วยหอกสําหรับฆ่ามรดกชาติอันคมเลือกฆ่าเอาแต่ที่มีเนื้อล่ํำๆก็คือพวกที่จะฆ่าเนื้อนะก็จะขุดลุมก่อนต้อนเนื้อให้ตกหลุมแล้วก็ใช้หอกทิ่มเอานะเราทั้งหลายผู้หาความผิดไม่ได้ต้องในประเทศมาอยู่ป่าถึงความชีพหายด้วยมืออาคมคือไม่ใช่มิตรหมายถึงศัตรูเธอจงดูคนฆ่าคนที่ไม่มีกําลัง สรุปว่างานนี้เราทั้งสองตายแน่เหมือนกันยังไม่ทันไรกลัวตายเลยนะที่อื่นๆนลนะ้วไม่เห็นกลัวเลยนะพอมาคเนี้กลัวหน้าดูเลยพมัสสีพอฟังคําอย่างนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นกองทัพก็รู้ว่ากองทัพเนี่ยเป็นของตนก็เลยจะให้พระโพธิสัตว์อุ่นใจอ่ะนะไม่รู้ใครปลอบใครแล้วนะงานนี้ยนะพมัสสีก็ปลอบพระเวสสันดรบ้างทีเรื่องให้ทานนะพระเวสสันดนปรปลอบหมดเลยนะทีเรื่องอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเมียปลอบให้หมดอนะ่ะ ก็บอกว่าเราอมิตรไม่พึงขมเหงพระองค์ได้เหมือนเพลิงเนี่ยไม่พึงขมเหงทะเลได้ฉะนั้นขอพระองค์จงทรงพิจารณาถึงพรที่เท้าสกตะเทวราชประทานนั้นนั่นแหละความสวัสดีจะพึงมีแก่เราทั้งหลายจากพลนิกายนี้เป็นแน่ก็ญาตเราทั้งนั้นแหละว่างั้นแต่นั้นพระเวสสันดรราชสือฤาษีก็ลงจากเขาวงกดประทับนั่งบนบรรณศาลาทํ า, า, าทใจให้มั่นคง ขณะนั้นพระเจ้าสัรชัยนี่ก็เรียกพระนางผู้สดีราชเทวีมารับสั่งว่า น, นพระนางผู้สดีผู้เจริญเมื่อพวกเราทั้งหมดไปพร้อมกันก็จะมีความเศร้าโศกใหญ่ฉันจะไปก่อนต่อแต่นั้นเธอจงกาหนดดูว่าเดี๋ยวนี้พวกเข้าไปก่อนจบับบรรเทาความโศกนั่งอยู่แล้วพึงไปด้วยบริวารใหญ่เนี่ยคนะ่อยๆทยอยกันไปนะไปพร้อมกันเดี๋ยวมันจะร้องให้ร่ำรวนกันใหญ่ ทีนี้พ่อชาลีและแม่กันหาชินากรอสักครู่หนึ่งแล้วก็จงไปในภายหลังสั่งอย่างนี้แล้วก็ให้กลับรถเฉพาะทางที่มาจัดการรักษาในที่นั้ น, น, นลงจากคอช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วก็เสด็จไปสู่สำนักของโอรสทีนี้พอไปเห็นก็พระเจ้าสันชัยนี่ก็เห็นพระเวสสันดรเนี่ยนะ ราชโอรสมีพระกายมีได้รูปไล้ตกแต่งมีใจแน่วแน่นั่งเข้าฌานอยู่นับบรรณาศาลาไม่มีภัยนาะที่ไห น, ไหนๆนะเขเจริญกรรมาฐานต่อไปกันแล้วกันพระเวสสันดรและพนางมัสีเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาผู้มีความรักในพระโอรสนั้นเสด็จมาก็ลุกขึ้นตอนรับถวายบังคมพนางมัสีก็โศภเสียนอภิวาทแทบพระบาทของพระสุสระแปลว่าพ่อผัวนะ กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพม่อมฉันมศ ส, สีผู้สะพายของพระองค์ขอถวายบังคมณพระยุคนระบาทยุคนนีแ่แปลว่าคู่บาทก็คือเท้านั่นแหละขอกราบท้าวทั้งสองข้างว่างั้นพระเจ้าสารชัยก็สวมกอดสองกษัตริย์ประทับสวงเนี่ยนะฝ่าพระหัตถ์ก็ลูบพระปริศดาอยู่ไปมานาอาสมนั้นจากนั้นพระเจ้าสารชัยนี่ก็กันแสงคร่ำครวญครั้นสางโศกแล้วก็ทํา ปฏิสันฐานกับสองกษัตริย์ตรัสว่าโอ้พ่อลูกรักน่นะพ่อไม่มีโรคพาพาดกำมังสุขสำราญดีกำมังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการส่อสแสวงหาพลาหาเนี่ยสะดวกดีกำมังมูลพลาหานี่มีมากกำมังะนะก็ถามตามสูตรที่เคยถามนั่นแหละต่อเวสันดร์ก็บอกว่าหม่อมชั้นทั้งสองเนี่ยอยู่เป็นอยู่อย่างฝืดเคืองอันนี้อันนี้ไม่ตอบตามสูตรที่เคยตอบครั้งก่อนนะ ก็บอกจริงๆอ่ะบอกพ่อนะคือถ้าเทียบกับอยู่วังแล้วครั้งนี้ฝืดมากหม่อมชันทั้งสองมีความเป็นอยู่เนี่ยอย่างฝืดเครืองเที่ยวสาะสแสวงหามูลพราหารเลี้ยงชีพข้าแต่พระมหาราชเจ้าหม่อมชันทั้งสองเนี่ยนะเป็นผู้เข็นใจฝึกแล้วคือหมดพยศความเข็นใจเนี่ยฝึกหม่อมชันทั้งหลายรู้จักทุกุรู้จักยากแล้วนะมันถูกฝึกมาจนนุ่มเลยนะถูกนวดมาจนเรียบร้อยหมดหมดพิษหมดสงแล้วเนาะ เหมือนกับ น, นายสารถีเนี่ยฝึกมาให้หมดพยศฉชนั้นนะนะถูกฝึกมันก็โอ้โหลูกกระสานนี่จับให้มาอยู่กินผลไม้เนี่ยนะสักปีหนึ่งเนี่ยนะก็หมาหายพยศหายซึ่งหมดเลยนะเข้าใจประชาชนหมดเกลี้ยงเลยนะข้าแต่มหาราชม่อมชั้นทั้งหลายถูกในประเทศมีร่างกายเหี่ยวแห้งด้วยการหาเลี้ยงชีพในป่า จึงมีเนื้อหนังเนี่ยนะสูบลงเพราะไม่ได้เห็นพัชนกและชนนีไอ้ที่พ้อมเนี่ยพ่อไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่รอกเหมือนกันนะยังเหยาะยาหอมไปอีกทีนี้พระเวสสันดรนี่ก็เลยทูลถามข่าวคราวของโอรสกธิดาเนี่ยนะพ่อแม่ยังไงก็ห่วงลูกวันยังค่อมเหมือนนะก็ถามว่าทายาทผู้มีมโนรสเนี่ยยังไม่สําเร็จของพระองค์ผู้ประเสริฐของชาวซีพี คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองนี่ตกอยู่ในอำนาจของพราหมรยกาลเลือกเกินแกเนี่ยตีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนคนตีฝูงโคถ้าพระองค์ทรงทราบหรือได้ทราบหรือได้สดับข่าวลูกทั้งสองของราชบุตรตรีมัสสีนั้นขอได้โปรดตัดบอกแกหม่อมชั้นทั้งสองทันทีเหมือนหมองูเนี่ยนะเยียวยามานกที่ถูกงูกัดฉนั้น ร, รีบบอกหน่อยนะว่างั้นเถอะ พระเจ้าสันชัยก็บอกว่าหลานรักทั้งสองคือชาลีและกันหาชินาเนี่ยพ่อได้ให้ทรัพย์แก่พราหมชูชกไทยไว้แล้วเจ้าอย่าวิตกไปเลยจงโปร่งใจเธอเนี่ยนะสบายใจได้ลูกปลอดภัยแล้วว่า ง, งั้นพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็โล่งใจปฏิสันฐานกับพ่อว่าเนี่ยนะคือเพิ่งจะปฏิสันฐานกันจริงกตอนเนีนะตอนแรกกมวตกุยเทระก่อนนะตอนนี้ค่อยมาสัมโมทนียกถากันว่า ค่ะแต่พระบิดาพระองค์ไม่มีพระโรคาพาดกัมมังสุขสำราญดีกัมมังเนี่ยนะเคยสังเกตเนี่ยนะเขาบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยมุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักใช่ไหมพอหมดประโยชน์ของตัวเองหมดแล้วนะค่อยคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะอัธยาศัยของสัตว์รวมๆแล้วเป็นอย่างนี้เขาบอกเอะนะจะต้องมุนไปหาประโยชน์ตนเบ็ดเสร็จแล้วก็คำนวนว่าตนอิ่มแล้วค่อยคิดถึงผู้อื่นนะไอ้คนอื่นกินได้ ย, ยังนะเมื่ อ, ออิ่มแล้ว เพราะฉะนั้นเขบอกว่าพระองค์นี้สบายดีหรือเหมือนันเถอะพระเนธแห่งมารดาของหม่อมชันยังไม่เสื่อมกำลังนี่หมายถึงว่าแม่เนี่ยเลิกร้องไห้ตาเลิกบวมเลยนะนะต้องใสดวงตาเนี่ยสดใสยังเหมือนเดิมนะเหมือนกันพระเจ้าสรรชัยก็บอกว่าลูกรักพ่อไม่ค่อยมีพระโรคมีความสุขสําราญดีอันหนึ่งจากสุมารดา ข, ของเจ้าก็ยังไม่เสื่อมพระโพธิสัตว์กราบทูลว่ายวดญานของพระองค์นี้หาโรคาพาดไม่ได้กำลัง พาฮนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีกำมังชนบทมั่งขั่งกำมังฝนตกต้องตามฤดูกาลกำมังเนี่ยนะก็ถามถึงฟ้าฝนดินฟ้ า, ฟาอากาศเลือกสวนไรนาะข้าวกล้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็สอบถามกันไปพระเจ้าสันชัยก็บอกว่ายวดยานของพ่อไม่มีโ ร, โรคภัยพาฮนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีชนบทก็มั่งข้างฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ในเมื่อสมกษัตริย์สนทนากันอยู่อย่างนี้พนางผูสดีเทวีก็กําหนดว่าบัดนี้กษัตริย์ทั้งสามจะทาความโศกให้เบาบางประทับนั่งก็เลยไปสู่สํานักของพระโอรสพร้อมด้วยบริวารใหญ่เนีย่ยนะก็บอกว่าเมื่อสกษัตริย์ตรัสกันอยู่อย่างนี้อยู่พนางผุสดีราชมารดาผู้เป็นราชบุตรีของพระเจ้ามัทราชสเสด็จมาด้วยพระบาทเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ได้สวมรองเท้าเนี่ยนะได้ปรากฏแทบ ช่องภูผาพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระราชชนนีผู้มีความรักในพระโอรสกําลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับเสด็จถวายบังคมพระนางมัตสีทรงอภิวาทแท้พระบาทแห่งพระสัสดุสัสดุนี้หมายถึงแม่แม่ผัวเนี่ยนะที่จริงแม่ผัวก็คือใครก็คืออานะก็คือจริงๆแล้วก็คืออาของพนางมัตสีนะเพราะพนางมัตสีเป็นน้องน้องสาวของ พ่อนะเป็นทั้งแม่ผัวด้วยเป็นทั้งอาด้วยก็กราบด้วยเสียงกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าม่อมชันมัสีผู้สะพายถวายบังคมพระยุคลบบาทของพระแม่เจ้าเนี่ยนะจะให้เป็นอาหรือจะเอาเป็นสะพายดีนะขอเป็นสะพายดีกว่าเป็นอาล่ะจริงก็ด้วยกันนั่นแหละก็ในเวลาที่พระเวสสันดรพระนางมัสีถวายบังคมพระผุ้เสด็เทว e ีประทับยืนอยู่พระชาลีและกันหาชินาทั้งสอง อันกุมารกุมารีห้อมล้อมเสด็จมาถึงพนางมัสสีประทับยืนทอดพระเนตรทางมาแห่งพระโอรสพระธิดาพนางเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยสวัสดีก็ไม่สามารถจะทรงพระวรากายอยู่ด้วยภาวะของพระองค์เนี่ยนะมัตีนะก็ห่วงลูกมากอยู่แล้วนะตอนลูกหายก็จะเป็นคือคือแทบจะตายอยู่แล้วนะพอเห็นหน้าลูกเข้าก็ดำรงอยู่ไม่ได้คร่ำครวญเสด็จไปหาแต่ที่นั้น เหมือนแม่โคมีลูกอ่อนฉะนั้นฝ่ายพระชาลีและพระกันหาชินาเนี่ยนะก็ทอดพระเนธเห็นพระมารดาคร่ำครวนก็วิ่งตรงเข้าไปหามารดาทีเดียวพระชาลีและพระกันหาชินาเนี่ยนะพอเอ่อกร้องวิ่งไปหาฉะนั้นพระนางมัสสีเล่าทอดพระเนธเห็นพระโอรสพระธิดาผู้มาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลก็สั่นระรัวไปทั่วพระกายคล้ายกับแม่มดที่ถูกผีสิงเนี่ยนะ ตัวสั่นไปฉะนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากอกว่างั้นเถอนะแม่คิดถึงลูกมากเห็นลูกน้ำนมไหลเลยนะได้ยินว่าพระนางมัศสีเนี่ยคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังเนี่ยนะแม่นี่ร้องไห้โฮดังเลยพระกายนี่ก็สัน่นถึงวิสันยีภาพล้มลงเหยียดยาวเหนือปัตภีเนี่ยนะสลบเลยเนี่ยนะเป็นลมสลบไปเจ้าแรกก่อนฝ่ายพระชาลีและพระกันหาก็มาโดยเร็วถึงพระชนนีเนี่ยนะเห็นแม่เข้าก็เลย วิสัญญีภาพล้มทับพระมารดาไปอีกนะนั่นแทนที่จะไปช่วยนะไปเป็นลมล้มทับแม่ไปอีกในขณะนั้นน้นํานมก็ไหลออกจากพายุคนถันของพระนางมัซซีเข้าไปในพระโอษฐแห่งกุมารกุมารีทั้งสองได้ยินว่าถ้าไม่มีลมหายใจประมาณเท่านี้พระกุมารกุมารีทั้งสองจักมีใจนี่เหือดแห้งไปเนี่นะอาศัยน้นํานมแม่ไหลเข้าไปด้วยอะไรไปด้วยไม่งั้นนี่ก็ใจแห้งตายนี่แหละ น, นะสลบไปสาเนยนะ ฝ่ายพระเวสสันดรเห็นพระปิยบุตรบุตรีก็ไม่อาจจะทรงอดกลั้นโศกาดูนไว้ได้ก็สลบตามนนะล้มลงณตรงนั้นนั่นเองเห็นใจอ่อนจังเนาะแม้พระเจ้าสันชัยพระนางภุษ ด, ดีก็พิสันยีภาพสลบล้มตรงนั้นเหมือนกันนะนไม่มียาดมเลยนะครบนี้ไม่รู้ใครจะระสมพยาบาลใครแล้วนะ เราอมาถหกมืนผู้สหาชาติคือหมายถึงเกิดพร้อมกันกันกบพระโพธิสัตว์เห็นกิริยาของกษัตริย์หองก็สลบลงลงไปอกีกนะสลบทีเดียวหหมื่นนี้พระราชบริพารทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์อันนาสงสารนั้นแม้แต่คนเดียวก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยภาวะของตนอาสมบททั้งหมดก็เหมือนกับป่าร้างเหมือนกับลมเนี่ยนะ ลมเนี่ยย่ำยีแล้วขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรือลัน่นมหาปัตตพีก็วั่นไหวสมุดก็กำเริบสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาเทวโลกทั่วกา ม, มาผจรก็เกิดโกลาหนเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นแผ่นดินไหวนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่6เนี่ยครั้งนั้นท้าวสาก่าเทวราชก็ดําริว่ากษัตริย์ทั้ง6องคเนี่ยพร้อมด้วยราชบริษัทถึงวิสันยีภาพไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งที่สามารถจะลุกขึ้นรดน้ําลงบนสรีระของใครได้เอาเถอะ เราจากยังฝนบกครพัทให้ตกลงเพื่อชนเหล่านั้นในบัดนี้นําเรื่อย่างนี้แล้วก็ยังฝนบกครพัทให้ตกลงณนะสมาคมแห่งกรรษัตริย์ทั้งหองค์บอกว่าฝนชนิดนี้นะใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกแม่สักหยาดเดียวก็ไม่ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งชนเหล่านั้นเหมือนน้ํากลิ้งไปบนใบบวนะัวฉะนั้นฝนบกครพัทนั้นเป็นเหมือนน้ําฝนที่ตกลงบนใบบัว ด, ด้วยประการชนนี ในการนั้นกษัตริย์ทั้งหพระองค์เนี่ยนะก็กลับฟื้นพระองค์มหาชนทราบความอาศัศจรรย์นั้นว่าฝนบกครพัดตกลงนะสมาคมพระญาติแห่งพระมหาสัตว์แผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนี้ก็แผ่นดินไหวความกึกก้องได้เกิดขึ้นแก่สมาคมพระญาติภูเขาทั้งหลายก็บัลือลั่นแผ่นดินก็หวั่นไหวฝนตกลงเป็นท่อทานในการนั้นลำดับนั้นพระราชาเวสันดรก็ประชุมด้วยพระ ไปยุรยาทั้งหลายพระชาลีพระกันหาชีนาผู้พระรา ช, ชนะ ด, ดาพระนางมัซีผู้สะพายพระเวสสันดรผู้ราชโอรสพระเจ้าสรรชายผู้มหาราชและพระนางเจ้าภูษีผู้พระมเหสีได้ประชุมโดยความเป็นอันเดียวกันในการใดความอัศจรรย์ได้เกิดขนพองสยองเกล้าได้มีในการนั้นชาวแคว้น สีพีเนี่ยนะที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องให้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนขอพระเวสสันดรกับพนางมัต ส, สีว่าขอพระองค์เป็นอิสริราชแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอทั้งสองพระองค์เนี่ยจงทรงครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายตอนก่อนนี่ขับไล่ใช่ไหมตอนนี้ไปขอร้องให้มาเป็นพระราชาเนี่ยนะอย่างนี้แหลนะเนาะโลกธรรมทั้งหลาย เดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศมียศแล้วก็เสื่อมเสืมแล้วก็มีมีแล้วก็ลงลงแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แหละโลกก็ทำหมุนไปตามโลกโลกหมุนไปตามโลกเขาทำเนี่ยนะมนน่าเบื่อนายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็พักหนึงองหัวเราะร่าเรื่องแค่แอีกพักร้องไห้เช็ดน้ําตาอีกแล้วอีกพักก็หัวเราะอีกแล้วเเดี๋ยวก็ร้องไห้แล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละซึ่งอธิบายว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงเป็นนายจงเป็นใหญ่จงเป็นบิดาาาขขอองงง้พระค์ทัหลย มหาชนประสงค์จากพิเศษทั้งสองพระองค์นี้ในที่นี้แล้วก็นำเสดสู่พระนครขอพระองค์จงรับสเสวตฉัตรอันเป็นของมีอยู่แห่งราชสกุลเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าจบขัดชะขัตติยะเนี่ยนะก็ประส์ททั้งหกสลบนั่นแหละขาดกันเนี่ยนะ